การประพฤติข้อวัดเนี่ยที่จะทําข้อวัดให้บริบูรณ์เป็นต้นได้เนี่ยไอตัวข้อวัดนั้นเนี่ยนะเพราะคตเจตนาเจตเจตนาที่เป็นมาจากแจงข้อวัดเพื่อจะทําข้อวัดให้บริบูรณ์จะทําข้อวัดนั้นให้เต็มเช่นกรณีที่ว่าปฏิบัติตามทิศทั้งหลายถ้าเป็นคารวะใช่ไหมเช่นถ้าหากเป็นลูกก็ปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อ ทำกิจของท่านจำลองวงตระกูลทำ ต, ตนไม่เหมาะสมเหตการได้รับทรัพย์แล้วก็ท่านร่วมรับไปแล้วทำบุญอุทิศเนี่ยกรณีที่บำเพ็ญวัดดูแลท่านให้บริบูรณ์อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ เ, เรียกว่าจารีศีลเนี่ยทำข้อวัดให้บริบูรณ์หรือปฏิบัติต่อครัวาจามใช่ไหมก็ด้วยลุกขึ้นยืนรับด้วยคอยไปรับใช้ด้วยอุปถัมภ์ด้วยเชื่อฟังใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ย กรณีอย่างนี้ก็คือว่าการบำเพ็ญวัดต่างๆในการดูแลอยู่ดูแลท่านอ่าถ้าหาเป็นพระเนี่ยโอ้โหดูแลกันกจัดเลยใช่ไหมอาจารย์ก็ดูแลสิสิสก็ดูแลอาจารย์ต่างคนต่างก็บำเพ็ญวัดเพื่อจะทําให้ข้อวัดนั้นบริบูรณ์เพื่อทําวัดให้เต็มไม่ใช่ทําไปเพราะเห็นแก่นหน้าอาจารย์หรือเห็นแก่นหน้าพ่อแม่แต่เห็นว่าพระบรมศาสดาเนี่ยผู้ทรงพระคุณนป็นบเสริด ใช่ไผู้สรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นพระบรมศา ส, สดาตาดไว้ถ้าพวกเธอต้องการจาัดทาศีลให้บริบูรณ์คือปาฏิโมกขังวรศีลให้บริบูรณ์แล้วเนี่ยต้องบําเพ็ญข้อวัดให้บริบูรณ์ถ้าข้อวัดไม่บริบูรณ์ตัวปาฏิโมกขังวรศีลจักบริบูรณ์ไม่ได้เราก็เลยต้องทําเท้าถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเราเห็นโทษของการไม่ทำเห็นคุณของการทำถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะน้อมในการที่จะกระทํา เพราะน้อมในการที่จะกระทําอย่างนี้เป็นพุทธบูชาด้วยนะเป็นพุทธบูชาถ้าแม่ครูบาอาจารย์จะดุจะว่าจะกล่าวก็ไม่น้อมไปในการที่จะโกรธเพราะถ้าเราโกรธข้อวัดเสียไหมเสียไหมเสียชื่อว่าไม่ทําตามคําสอนของใครของพระบรมศาสดาเมื่อไม่ทำคำตามคําสอนของพระบรมศาสดาข้อวัดเสียกุศลศีลจักบริบูรณ์ได้ไหมเมื่อกุศลบรศีลไม่บริบูรณ์ จะยกตนเองออกจากอบยูมิก็ไม่ได้จะยกตนเองออกจากสังสารวัตรยิ่งไม่ยัดไม่ยัดไม่ได้ใหญ่เลยนี่เห็นโทษไหมล่ะต่อไปปฏิบัติต่อเพื่อนยังไงก็จะมีข้อวัดปฏิบัติในการที่ปฏิบัติต่อกันถ้าพระก็ต่อสาทรรมมิตแล้วปฏิบัติต่อบุตรภรยาเบาวะแสยังไงเห็นไหมเบื้องหลังเบื้องต่ําไปต้นปฏิบัติต่อพระ พุทธเจ้าต่อสาวกของพุทธเจ้านะเราควรประพฤติปฏิบัติอย่างไงในฐานะพุทธบริษัทก็ยังอันนี้ก็เป็นข้อวัดที่เราต้องบําเพ็ญให้บริบูรณ์ให้เต็มแต่เราบําเพ็ญไปเพื่ออะไรเห็นคุณของพุทธเจ้าแล้วก็ตอบแทนคุณนะฮะและอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งควรทําเมื่อมาทำแล้วเนี่ยจะขัดเราทําให้เมื่อข้อวัดบริบูรณ์แล้ว ต่อไปไปฏิโมกขครืงวัศีลก็จักบริบูรณ์นี่เป็นอย่างนี้ฉั้นทางไปพิจารณาอย่างนี้แล้วเราดูแล้วเนี่ยโอ้โหข้อวัดไม่เรียบร้อยเลยก็ไปจัดแจงเสียเนี่ยถ้าใครข้อวัดที่ยังไม่บริบูรณ์ก็กลับไปจัดแจงเสียถ้าพ่อแม่อยู่ก็กระทำพ่อแม่ไม่อยู่ก็ทําข้อที่พ่อแม่ไม่อยู่มันมีอยู่ข้องท่านล่วงับไปแล้วก็ทําบุญอุทิศไปนี้ก็ทําให้บริบูรณ์กระจายอย่างทุกคนทําได้ทุกข้อ ทั้งท่านที่ท่านจะอยู่หรือไม่อยู่ขใจอย่างถ้าทําในลักษณะอย่างเนี้ยตัวเนี้จะไปเกื้อกูลเพราะสิ่งที่กระทํานั้นอ่ะไม่ใช่ทําตามหน้าที่แต่ทาเพราะเห็นตัวเจตนาศีลเห็นทำเพราะเห็นเจตสิกศีลทำเพราะเห็นตัวสังวรศีลเห็นตัวอวิติกรรมะคือการไม่ก้าร่วงในการที่จะประพฤติวัดและปฏิบัติให้เต็มให้บริบูรณ์อย่างทัพระก็ก็มี กวาดวิ Yin, หารลานพระเยดียดีเห็นไหอันนั้นเป็นวัดของท่านใช่ไหมที่ท่านต้องต้องทําให้บริบูรณ์สิ่งต่างๆเรื่องนี้ยไม่ใช่ทาไปด้วยความเครียดเหมื อ, อนมือ ใ, ใครทำรํำลบไปเกินทุกกว่าทุกวันหรือต้องล้างทุกวันเนี่ยไม่ใช่ท่านทําไปด้วยจิตผ่องใสด้วยใจเบิกบานด้วยการ น, อน้อมน้อมพระพุทธเจ้าลักษณะอย่างเนี้ท่านเคิดว่าทําข้อวัดให้บริบูรณ์ต่อมาเนี่ยตัวกุศลศีลจกบริบูรณ์อันนี้เข้าใจอย่าง เอาประเด็นถามต่อใครจะตอบยกมือึ้นนี้เอาถามตัวความไม่โลภอะความไม่โลภอะเอาเป็นศีลได้ยังไงเอาโยมันดีตอบนะความไม่โลภ่ยเป็นศีลได้ยังไง ก็มีหลักตรงนี้ก็จะเริ่งว่าวัตถีสุจริตโยกตัวยาแต่จริงๆเข้าใจว่าเข้าใจนะพยันรยัน อันมาชาเพราะนั้นคือคือความไม่โลภนี่ยหละพอเกิดความไม่โลภขึ้นมาความไม่โลภนั่นแหละก็เลยไปเกือกเก้อกูลไปเกื้อกูลทํากายวาจาให้ตั้งไว้ด้วยดีไม่เกื่อนกล่นไม่กระจัดกระจายไม่ทุศีนก็เลยน้อมเป็นผู้มีศีลอาศัยความไม่โลภนั่นแหละเป็นเหตุอาศัยความไม่โลภนั่นแหมมนนละเป็นปัจจัยฉะั้นความไม่โลภจึงมาอยู่ในฐานะเป็นเจตสิกสี ทำกายทำวาจาทำจิตใจให้ผ่องใสใช่ไมนเสหลุทุกทีเลยโย่ <c oughs> เสือก็จะเข้าท่ากันอยู่แล้วนีชอบไปปิดประตูอยู่เลยร <c oughs> ไ ม, ไม่เดี๋ยวจะถามอยู่แล้ว <c oughs> อ้าข้างหลังไม่อคีความไม่โกรธเป็นศีลยังไงอโทษฐานใช่ไหมอ้าวอ้าวมีเมตตาว่าครเกื้ากูยังไง ความไม่โกรธความไม่โกรธนั่นแหละเลยเป็นปัจจัยแก่การที่มีเมตตานะกับสรรพสัตว์ทั้งหลายเมตตากับตนเองและกับบุคคลอื่นความเมตตานะั้นเลยเป็นปัจจัยแห่งการที่จะทำให้ตนเองไม่รักหรือไม่ฆ่านะ ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนเขาไม่รักไม่ประพฤติผิดในกรรมแล้วก็ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเพอ้อเจอ้อและใจก็เป็นไปกับเมตตาถ้าอย่างนี้ชื่อว่ากายบริสุทธิ์ไหมวาจาบริสุทธิ์ไหมใจบริสุทธิ์ไหมก็เดินนั่นแหละเมตตาที่เคลือบกูนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละให้เป็นไปอย่างต่อเ น, นื่องถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเมตตามาอยู่ในฐานะเป็นกุศลศีล เป็นเจตสิกสีอะไรเงี้ยแต่ของเราเนี่ยมันได้ชั่วแว บ, บแว บ, บแว บ, บแวบเงี่ยแล้วก็เดินมันต่อเ น, นื่องถ่าเป็นแม่ชีก็พยายามอย่าให้จิตโอดูท้อถอยมาแทรกบ่อยเขาย้าใจไหมเหมือนนัง่งฟังธรรมใช่ไหมให้ใจเป็นไปกับเมตตาให้มีเจตสิกสีออกมาเพ่งท่านเขา้าใจไหมถ้าอย่างนี้ความโอดูท้อถ อ, อยจะไม่แทรกแล้วใจก็พองไซส์ในการฟัง ทงนย้ถูกไหมถ้ะเล้ออีกข้อสัมมาวาจาเอาสัมมาสมาเอาสัมมาอาชีวะเลยหรอย่อหวานเป็นศีลยังไงอาชีพอะไรดี ทำกับข้าวอาอเป็นส oh, ียังไงอ่ะนี่แล้วมาชิว่าเดินเป็นพ่านเลยอ่ะ Okay. เอาใครไงแล้วมาชีวะช่ต่อเลยจเย้อนมาในรอบข้างหลังนี้เป็นไงสมาชีวะ <c oughs> อาชีพบริสุทธ์เนี่ยเป็นยังไงที่จะเป็นสมาชีว <c oughs> ะเนี่ยแล้วก็ เอางั้นก็นแล้วกันเนะเาะอ้าวต่อที่สัมมาอาชีวะใช่กันหลายๆคนในสามอาืออ้าว นี่เป็นความจําอันนี้ความจํำแต่ยังไม่เข้าใจยังไเนี่ยไม่เป็นความจําเยอะเข้าใจไปโยนไปในหงนี่ความจําพอได้ว่าไม่ค้าขายอาวุธไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายสัตว์เป็นไม่ขายใครไหมยาพิษเป็นต้นไม่ยัไงไงที่ ส, สัมมาอาชีวะด้วยหลักจริงๆดังที่ได้กล่าวเลยเพราะเมื่อกี้พูดไหเนะที่อาจารย์ทัก นใหนึ่งต้องวางฐานก่อนอาชีพต้องบริสุทธิ์ด้วยก่อนเนาะอาชีพที่บริสุทธิ์และอาชีพบริสุทธิ์แล้วไม่พอว่าก็ไม่เป็นไปกับการที่จะไปฆ่าไปรักไปผู้ปิดในกลางแล้วต้องไม่พูดเท็จส่อเสียดกัมหยาบและเพ้อเจ้อด้วยใช่ไหมแล้วก็กระทําอาชีพนั้นเป็นไปอยู่ด้วยแล้วใจเป็นยังไงใจต้องเป็นไปกับกุศล เพราะตัวสัมมาอาชีวะจริงๆมันได้แก่ตัวกุศลและจิตที่มีตัวสัมมาอาชีวะที่เกี่ยวกับอาชีพใช่ไหมเว้นจากการยทุจริตสามวิจีทุจริสี่ที่เกี่ยวกับอาชีพก็แปลว่าเป็นไปการอาชีพนั้ น, น่ะแปลว่ากายต้องสะอาดวาจาต้องสะอาดจิตต้องเป็นไงจิตก็ต้องสะอาดปราศจากอกุศลมะกุ้มรุมถ้าอย่างนี้ใช่แล้วเป็นไปการอาชีพอย่างนั้นเอาทํางานไปด้วยขดหู่ไปด้วย อาชีพก็ถูกด้วยอันนี้เป็นสมาชีวะเดินไห ม, ไ ม, ไ, หมไม่เดินเอามานั่งเรียนก็เป็นอาชีพเนี่ยใช่ไหมเรามีอา่าเป็น เ, เกี่ยวกับก็เกี่ยวข้องกับที่ว่าเรามีอาชีพอา่าทำมาแต่เรามีเวลาในการที่มาศึกษาเราเรียนเนี่ยนะว่าทำํำแต่ในขณะที่มานั่งเรียนเนี่ยปล่อยจิตใจหัวถูจิตใจร้อนอยไปด้วยถ <laughs> ือว่าใจบริสุทธนะิ์ไหมอย่างนี้ก็จะใจเป็นบริสุทธิ์ ใจเศร้าหมองเข้าใจอย่างฉะนั้นถ้าไปทํางานที่เราเกี่ยวข้องกับอาชีพเราด้วยแต่ใจเราหดถูท้อถอยด้วยใจเราโลคด้วยใจเราโกรธ ด, ด้วยแล้วก็ความหลงเกิดขึ้นมาด้วยวิจิกิจฉาพุ่งซ่านเนี่ยําคาญใจด้วยเงี้ยเป็นต้นเนี่ยไปเลยเนี้ยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเดินสม า, าชีวะไม่ถูกอาชีพเนี่ยถูกแต่ใจที่เดินไม่สะอาดผลของจิตผมผลของศีลไม่เดินนี่เรื่องกระจายใช่ไหม ตรงกุศรศีลต้องเป็นแบบนี้ต้องฟ้องใส่ที่เป็นแย่เอ้าเลยข้องปัญญาขยาวปัญญาเอ้ายอสะานโอโหปัญญาเนี่ยปัญญาถ้าปัญญาตัวนี้เกิด ได้เนี่ยเ้าเราก็จะไม่ทอกุศลกรรมที่มันมดีอะไรอกุศลกรรมอกุศลกรรมที่มดีเนี่ยท้ตัวเราเนี่ยคิดแต่สิ่งที่ดีราะว่าปัญญามันเกิดมันก็นาไปได้ทุกเรื่องเลยที่ดีดใช่ไมคะไม่ว่ากิจกรําอะไรเนี่ยปัญญาตัวนี้จะเกิดที่ข้อลักของมันจะเป็นหลักใจไม่ใชปัญญา ถ้าถ้าไม่ตอบเดี๋ยวพระดำท่าจะตอบแน่ๆพระค่อยขยเยอะไม่ได้พระไม่รู้พระไม่รู้ถาตรงนี้ประเด็นเาจะปัญญานี้มันเป็นสิ่ง ปัญญาท่านนี้กําลังจะถามอาจารย์เพระอาจารย์เกิดมาถามคนก่อนกำลันจะถามอาจารย์ว่าปัญญาเนี่ยมันเกิดเป็นสิ่งยังไงในตินอาจารย์จะพูดไปกันเลยใช่ไหมก็อย่างนี้จริงๆเนี่ยมาเอามารู้ว่าบางคนแต่ละคนเนี่ยนะจะมีมุมเข้าใจแต่มันยังไม่ปฏิประต่อหรือบางทีความเข้าใจเนี่ยมันยังไม่กระชับหรือมันยังไม่สามารถที่จะเดินเนี่ยเป็นลําดับได้ใช่ไหมอันนั้นเข้าใจอยู่มองถามโยมวันนี้พูดเรื่องความไม่โลภ เป็นสีนเนี่ยหรือถามถามแต่ละคนที่ถามว่าความความไม่โกรธบ้างหรือว่าถามเกี่ยวกับเรื่องมัจเจนาเนี่ยที่จริงความเข้าใจมันมีอยู่นะตรงนี้ถ้าหากไม่ซักให้ถึงเนี่ยนะมันเดินยังไม่ได้จริงๆแล้วมันจะเดินกะท่อนกะแท้นี่เข้าใจดงั้นประเด็นต่างๆนในแต่ละคนเนี่ยบางทีมันไปจํามาแค่นั้นเองเข้าใจใช่ไหมที่เราตอบอ่ะมันจำํำ จะคือคือบางทีความเข้าใจของเราเนี่ยมันเป็นความเข้าใจแบบไหนความเข้าใจแบบท่องมาบ้างแล้วความเข้าใจที่มันเลยเลยความลึกซึ้งในใจเรามันไม่มันไม่ประทับที่ใจเลยมันไม่ปรากฏเด่นที่ใจเลยถ้ามันมีเหมือนตาประทับตูมที่ใจเลยเนี่ยแต่ว่ามันจะ มันสะกิดอยู่ตลอดเวลาเลยก็เพราะยังไม่เข้าใจไม่ีเดยตรงนี้สรุปก่อนถามอาจารย์จบมังอาจารย์ยังไม่ตอบเรื่องของปัญญาก็จะตอบปัญญากำลังจะถามอาจารย์อะรเลยมาถามผู้มีรู้ก่อนจานี้จะถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะฟังไม่ใช่หรือเปล่ามิที่อาจารย์บอกว่าปัญญาก็เป็น ส่วนศีลได้ใช่ไหมคะทีนี้ส่วนศีลเนี่ยที่มาวิจัยเรื่องของกรรมกรรมกรรมเอ่อกรรมกายกรรมพฤติกรรมอะไรของผลกับผลที่มันออกมาที่พออาจารย์พูดตรงนี้แล้วมันยังไม่ต่ออ้าว่ากำกำกำจะถานอาจารย์อาจารย์กระเลยโยนมาพม่ยิตกใจทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นปัญญาที่เป็นศีลเพราะปัญญานั้นเป็เข้าใจในเรื่องกรรมแล้วเข้าใจผลของกรรม เข้าใจทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีใช่ไหมกุศลกรรมแล้วกุศลกรรมแล้วก็ผลของกุศลกรรมแล้วผลของอกุศลกรรมสรุปก็คือว่าตัวกรรมเนี่ยไปเข้าใจเรื่องอะไรปัญญาไปเข้าใจเจดนาที่เป็นกรรมยังไงปัญญาไปเข้าใจเจดสิกใช่ไ้ยเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นต้นยังไงนั่นตัวปัญญาจะมาเข้าใจสรุปตรงเนี้กปัญญานั้นไปพิจารณาเรื่องกรรมและผลของกรรมนั่นเอง ก็รู้ว่าการผิดศีลการทุศีลการไม่มีศีลเนี่ยเป็นอกุโสลกรรมใช่ไหมเป็นอาุโสลกรรมและอกุโสลกรรมที่เกิดจากการทุศีลเนี่ยมันจะให้ผลอย่างไรปัญญารู้หมดเลยปัญญารู้หมดเลยปัญญารู้ถึงขนาดว่าศีลข้อแรกเป็นเหตุถึงการลงอบัยภูมิจะเป็นมนุษย์อายุสั้นถ้าเบียดเบียนเขาเนี่ยนอกจากลงอบัยภูมิแล้วถ้าเป็นมนุษย์ก็มีโรคภัยแค่เจ็บเยอะเป็นต้นดังที่กล่าว หรือสินแต่ละข้อเนี่ยเข้าใจเลยเข้าใจตัวตัวตัวผิดศีนและผลที่ของการผิดสีนแล้วเข้าใจชัดไม่ชัดเด่นชัดถึงขนาดว่าเสมอเหมือนหนึ่งว่าที่ตนเองเคยทุศีลมาเนี่ยไฟเผาใจเลยเหมือนตนเองโดดลงในกองไฟเลยเียเข้าใจเลยแล้วปัญญาเนี่ยนอกจากจะไปเข้าใจนั้นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมองถึงสิ่งแวดล้อมก็เกิดข้อมูลและความเข้าใจชัด ยกตัวอย่างอามานั่งรถมาปุ๊บก็เห็นก็นั่งคุยกันอีกเรื่องหนึ่งมีรถบรรทุกเอานอกหน้าแต่มีวัวตัวหนึ่งล้มลุกล้มลุกตัวใหญ่เอามาก็ถามว่ามีเขาเอาเป็นโคเลี้ยงใช่ไหมวัวเลี้ยงทางยอมที่ขับรถก็บอกไม่อันนี้เขาไปข้าเนไม้มเนี้ยกกรณีอย่างเงี้ยแต่ไม่ทราบป่าพาคิดอะไรจะต่อ แต่อามาน์นะคิดอเมา์ก็คิดบอกว่านี่ไงทอดทุกข์ความทุศีนเขียนอยู่แล้วนี่ไงคืออาบัยศัตร์นอกจากทุศีนอาบาัยศัตร์เบสร็จแล้วมาเป็นโคลยังไม่ถึงเวลาตายจะต้องเข้าถึงลงเชื่อแค่นี้พอหรือยังที่จะสะดุ้งสะเทือนที่ทเกี่ยวกับการจะต้องรีบมีศีนยังไงและเห็นนี้อย่างง น, นี้สองกอศีนเนี่ยถ้า ผู้ศีลเมื่อไรเนี่ยเนี่ยเนี่ก็จะต้องไปเป็นอย่างนั้นก็เริ่มเกิดมีความรู้สึกร้อนหลนสิ่งที่ตนเองเคยทําบาปมาก็เยอะถ้ากรรมเหล่านั้นส่งผลเสียเล่าในช่วงนี้โอกาสเจริญกุศลเราจะแย่แน่นอนฉะนั้นก็เริ่มมาตรวจสอบกายกรรมวจีกรรมใช่ไหมของตอนเอง่สุจริตไหมใจเราเป็นสุดจริตไหม ปัญญาที่เข้าใจกรรมผลของกรรมอย่างเนี้ยก็น้องไปที่จะขัดเกลากายวาจาใจให้สะอาดหมดจดอย่างเนี้ยปัญญามาเป็นศีลเข้าใจยังนั้นวิจัยไปแล้วเป็นไปเพื่อการขัดเกลาทั้งสิ้นที่เป็นไปกับการละบาปทางกายทางวาจาและทางใจอันนี้เป็นศีลปัญญาเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นจากการฟังการวิจยัยใช่ไหมนี่แหละปัญญาเป็นศีล เพราะปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วมาเกือ้อกูลทำไห้กายวาจานั้นน่ะเกิดความที่จะบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปทีนี้ข้อมูลทุกอย่างแต่ละวันทุกคนเห็นหมดยิ่งคนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยปัญญาจะทําจิตของศีลได้มากที่สุดใช่ไหมไอ้อยืนโรงพยาบาล เ, เห็นทุกวันไหมนะ่ะเมื่อเห็นทุกวันปัญญาที่เป็นศีลต้องชัดไม่ใช่เห็นเหมือนสับปะเลอเห็นโส สัปเลอเห็นศพบ่อยๆไหมแต่สัปลเลอศีนดีไหมกินเหล้าไปด้วยเผาศพไปด้วยนี่อันนี้ปนแปล ว, ว่าครูสอนศีนไม่เดินก็ย้ายยังเหมือนเราจําได้เราลองไปถามสัปะเลอที่ท่องศีนคล่องกลืดอะไรธนาศีนก็ได้เป็นผู้นำศีนก็ได้ไปจ้างเขาตามสลาต่างๆแบบนี้ต้องให้เงินเขาด้วยเหรอเชื่อไหมใครเผาเป็นค่าเท่าไรมนะันคิดเบร็จตมแลัก นั่นมันนะจำศีลแต่มันไม่เข้าใจศีลไม่มีลึกซึ้งในศีลมันเดินอุตรศรีศีลไม่ได้ไม่เห็นโทษของการทุตศีลไม่เห็นคุณของการมีศีลปัญญาที่เป็นศีลมันไม่เกิดถ้าอย่างถ้าเราเรียนแบบนั้นเน่ะจำแบบนั้นเราก็จะไปต่างอะไรกันซาปเลยรคนนั้นลูกเข้าใจใช่ไะมอ้าวยอามทมำจิราเห็นอะไรเนี่ย เห็นสิ่งท kind of ี่แบบอย่างเห็นพวกี่เก็บมากๆบวชเทวตาเนี่ยเราปัญญาที่เกิดก็คือเราพิจารณาว่าจากวันเราอาจจะเป็นอย่างเช่นมั้งเก็บอย่างเช่นตาอย่างตายนั่นคือการที่เราเกิดปัญญาปัญญาแล้วก็มาเกื้อกูลทำให้ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดปัญญาแล้วมารักษาศีลถึงจะเป็นศีลถ้าเกิดปัญญาแล้วเพื่อทำสมาธิตั้งมั่นขึ้นมันอยู่ในชั้นของสมาธิเยไปเกื้อกูลสมาธิ นั่ต้องดูปัญญาที่เห็นแล้วเบลเสร็จแล้วก็เกื้อกูลพิณาเห็นโดยการเป็นรูปเป็นนามอันนั้นมันเป็นวิปัสสนามันก็ต้องแยกให้ออกว่าปัญญาอยู่ในฐานะไหนเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นเป็นเป็นปัญญาพี่กาลังตั้งใจว่าจะถาธยายเรื่องกะเจียวปัญญาศีลพอดีไปพูดถึงอนุก็เลยตรงนี้ขาด ตรงนี้ไม่ถามแล้วนะไอ้ทีนี้ประเด็นเยอที่เมื่อี้ไม่เข้าใจก็คือว่าที่จะถามพระอาจารย์ก็คือปัญญาเป็นศี่เนี่ยนะใช่ปอนแลเนื่องจากปัญญามาวิจัยเรื่องของกรรมทีนี้พดีไปถึงเรื่องของกรรมอัตบุตรกรรมที่ให้ผลใช่ปอนส่วนจักรกายกายและกรรมก็ดกรรมทีนี้ทีนี้พอเราเขาใตรงนี้ให้ผลตรงนี้แล้วนะทีนี้ไอ้ตัวปัญญาตัวเนี้ยมันจะเกิดให้เราย้อนเข้ามาเห็นว่าไอ้ การที่เรามาวิจัยที่มันให้ที่เราขักกุศเกิดขึ้นเราพิมพดีเนี่ยตัวนี้มันจะย้อนกลับมาว่าเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยผลที่มันจะเกิดมาเนี่ยมันจะเป็นผลที่ที่ดีหรือเป่าหมายว่าตัวนี้มันมันมันเกิดมาจนเกิดจากการที่เรามาวิจัยเรื่องพอวิจัย เ, เสร็จแล้วก็ะจะมาดูแลกายกรรมวิจิกรรมเพื่อให้มีสิ่งแล้วก็มนโนกรรมให้กุศลสิลงต่ ใช่ใช่ใช่ที่ประเด็นก็อยู่ตรงเมื่อกี้ยอมถามแล้วตอบประเด็นตรงนี้เด้วเราจงต้องต้องค่อยๆเรียงประเด็นแล้ ว, วตอบปัญหาไม่ครบบริบูรณ์ก็ดูไม่เหมาะเนาะอันนี้ก็ตอบคดีเลยทีเดียวคุณละประเด็นร ป, รประเด็นตรงนี้ที่ยอมถามก็คือว่ากรณีที่ไปเห็นแล้วเราก็บอกเรายัางไม่พ้นคิดอย่างนั้นใช่ไม่ใช่แต่คิดอีกทีคือกรรมที่ทำใช่ไหม ทำไมเขาต้องมาตายที่อายุสั้นอายุน้อยนี่โทษของการทำปนานาทิบายทำไมต้องมีโรคภัยแค่เจ็บนี่โทษของเบียดเบียนสัตวนะเพรพิจารณากรรมเหล่านี้เราเคยทำมาในสังสารวัตพร้อมที่จะให้ผลเราได้ตลอดนี่เราเนาะโทษของการทุศีข้อแรกชัดเลยเห็นไฟไหม้เห็นอะไรต่งตางๆเป็นเสร็จเห็นคนวิบัติเพราะทรัพย์ ชัดเลยเห็นคนแตกแยกเอาชัดใชนะเราจะมองเห็นผลของกรรมเป็นแถวหมดเลยครทั้งกรรมดีเราก็เห็นทั้งกรรมชั่วเราก็เห็น mm hmm. เห็นตัวเหตุ ด, ด้วยเห็นตัวผลด้วยก็น้อมขัดเกลากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุดจริตแล้วจะนี้ความตั้งมั่นจะแข็งแรงไหม mm hmm. แข็งแรงตัวเนี้ยคือปัญญาทํางานเป็นสีแล้ว mm hmm. ตัวนี้เป็นเป็นสี เพน้องมังอัดเกากายวาจาและใจน้องออกจากอากุศลกรรมบวชศิษฐ์และน้อง้าหาอกุศลกรรมบวชศิษฐ์อยู่ในระดับศีลถ้าอกุศลศีลแข็งแรงแล้วแต่นี้ต้องพูดยาวเลยใช่ไหมเพราะพูดเดี๋ยวมันจะกระโดดไปกระโดดมาทีนี้เขาออกจากปาณาติบาตออกจากการฆ่าออกจากการลักออกจากการประพฤติผิดในกามได้ออกจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเชิอได้ ออกจากความโลภออกจากความโกรธออกจากโมหะคือความหลงได้แล้วก็มายืนอยู่ในระดับของกุศลก ร, รมววดสิบได้ชัดเดินกุศลกัมววดสิบชัดมากทั้งศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาระดมมาเกิดในใจตลอดเลยเข้าใจใช่ไหมเกื<ม>้อหนุนอยู่ตลอดนักเข้านัเข้าเกื้อหนุนกุศลกรมวทเนี่ยสุจริตสาม่เดินอย่างแข็งแรงนัเข้าเขาจะออกจากกามคุณห้าออกจากกามฉันทะด้วยเนคขม้า ออกจากพยาบาทด้วยเมตตาออกจากถีนมิทถะด้วยการกำหนดธรรมเข้าหาแสงสว่างเนี่นะข้าหาแสงสว่างือโลกะมีความโล่งมีความเบามีความโล่งไม่มืดตื้อมันติดคุกไปเนื้อแล้วออกได้แล้วไม่ต้องมานั่งหลับนั่งสงกอยู่แล้วแล้วก็ออกจากอุทธาจักกุกุจักใช่ไหมด้วยความเหมือนเป็นธาตุออกได้เลยแล้วก็ออกจากวิจิกิชาด้วยการกำหนดธรรมที่แน่นอนไม่ลังเลแล้ว ที่จะทําบาปหรือทําบุญต่างๆนี่ยน้อมก็าหาเจริญกุศลเต็มที่เลยออกจากอาวิชาที่ปัญญาออกจากอารติใช่ไหมคือความไม่ยินดีด้วยการน้อมก็าหาความยินดีในธรรมเพราะออกได้ในลักษณะนี้แปลว่านิวรสงบแล้วพอนิวรสงบเนี่ยถึงจะก้าวสู่การเจริญวิปัสสนาชัดถ้างั้นใจก็อืดเดินวิปัสสนาไม่คล่องหรอก จิตมันไม่คล่องแคล่วมันไม่ควรต่อการงานเราท่านทั้งหลายที่มันคาดเป็นก็เพราะตรงเนี้ยเราไม่กล้ามันเป็นตามลําดับจะโดดไปเอาวิปัสสนาทั้งๆที่กุศลศีลอ่อนเอวมากเข้าใจยังแล้วยังไม่เข้าใจเรื่องกุศลศีลเลยยังไม่เข้าใจการออกจากไอออกจากกลุ่มของอกุศลกรรมบทยังไม่เข้าใจจากการออกจากนิวรณ์ห้าเมื่อออกเบ็ดเสร็จแล้วต่อมาเดินนิพัสนนาคล่องไหมเดี๋ยวนี้ การวิจัยใยความเห็นเป็นรูปปั้นเวทนาสัญญาสังขารปัญญาทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยา่างละเอียดดึชัดขึ้นมานี่วิปัสสนาปัญญาที่ทำกิจเพราะมีฐานที่สมาธิแข็งแรงแล้วเพราะออกอย่างนิวรณ์ได้แล้วจิตปลอดวงโล่งเบาไหมเป็นอิสระไหมเป็นอิสระมากควรต่อการงานไหยควรต่อการงานยังไหยตรงนี้คล่องแคล่วในการที่จะวิจัยไหมมันจะเป็นไปในลักษณะอย่างไหมปัญญามนันเป็นแบบนี้ เข้าใจใไหมไอ้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะไม่ใช่อยู่ๆเลยเนี่ยโดดเข้าห้องวิปัสสนาเลยต้องขัดเกลาป็นยิ่งเป็นอย่างนี้แล้วมันก็มานั่งหน้าดำคำเครียดอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมมันก็ไม่โลกไม่โปร่งใช่ไหมเข้าใจใไหมนี่มันจะเป็นลักษณะ น, นี้ทีนี้ความเข้าใจในต้นชัด การศึกษาพระธรรมนั้นไม่ใช่ศึกษาแบบใจที่เป็นบาปไม่ใช่ศึกษาแบบประเภทที่วางใจยังไงก็ได้ขอให้จําได้ขอให้รู้มากกว่านั้นผิดหมดแล้ตั้งเจตนาเหล่านั้นเนี่ยมาปูนกาหัวได้เลยกาหัวได้เลยไม่ไม่มีทางเข้าใจพระธรรมมันจะเข้าใจได้ไงเพราะเราตั้งใจเจตนาเรียนก็ผิดแล้วต้องตั้งใหม่ผิดไม่เป็นไรใช่ไหะเพราะการผิดเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าถูกนี่น่ะอัศจรรย์ทำถูกได้ยังไงว่าจะได้แปลกใจใช่ไหมจริงไหมชีการทำให้ถูกเนี่ยยากไหมยากเพราะเราสัตว์เป็นผู้มีความเห็นผิดมาอย่างยาวไกลชีสรุปประเด็นได้ไหมพอเข้าใจไหมเข้าใจนะฮะ <Okay. S 1> ยังสรุปไม่ได้ <laughs> โอโอ้โหอนี้ก็ต้องเหนื่อยแล้วทั้งนั้นนะ สามอีเกลือเจตสิกส <5 S 2> <atem S 1> ีก <20. S 1> <อ>็นี่ไงสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสมาชีวะแล้วก็ความไม่โลภความไม่โกรธตัญญาเป็นเจตสิกสีหมดเลยตัญญาก็เป็นเจตสิกศีความไม่โกรธก็เป็นเจตสิกศีความไม่โลภก็เป็นเจตสิกศี สัมมาวาจาการกล่าววาจาที่เว้นจากวจีทุจริตสี่ก็เป็นเจตสิกสีนสัมมากรรมตะการงดเว้นจากกายัตุจริตสามก็เป็นเจตสิกสีนสัมมาชีวะการเลี้ยงชีพชอบที่เว้นจากการยทุจริตสี่เออวจีกายทุจริตสามวจีทุจริตสีที่เกี่ยวกับอาชีพนี้ก็เป็นเจตเจสิกสีเจตสิกสีนมีหกตัวครับในที่นี้กล่าวว่าเจตนาศีนอีกตัวหนึ่ง นี่เพิ่งเรียนศีลมาเจ็ดตัวเองเหลือสังวร อ, อีกข้ายังไม่ได้เรียนเหลือวิติกามากมารไม่ก้าวล่วงอีกยังไม่ได้เรียนเดี๋ยวก็จะไปสรุปรวมอีกยังไม่ได้เรียนเนี่ยนะก็ค่อยเดินไปดีไหมพระยาเนี่ยเวรตีเนี่ยพูดที่ดีก็ได้พูดที่แตกแยกก็ได้นีหมายความอ๋อเวรตีนะถ้าพูดให้แตกแยกไม่เป็นวิรตี ถ้าพูดให้คนสามัคคีกันเน่ยพูดให้คนมีความรักกันมีสามัคคีกันจริงจะเป็นวิรติจริงจะเป็นสัมมาวาจนะวิรัติแต่นั้นนะคืองดเว้นจากบาปทางกายทางวาจาระงดเว้นจากอาชีพที่ทุจริตเขาเรียกว่าวิรัติอ๋อคําว่าพูดดียกตัวอย่างเช่นพูดพอเพลาะ แต่เป็นเหตุทิมแทงให้คนแตกแยกกันไนดะ้เอาคนพูดดีๆแต่แยกกันได้ไหมคนพูดเพราะๆทั้งหลายอ่ะเอาเราเป็นคนไทยเราต้องรักกันอย่าไปทําอย่างคนชั่วทั้งหลายซึ่งกําลังทํากันอยู่แตกไหมเงี้ย <c oughs> พูดดีไหมพูดเพราะด้วยนะ <c oughs> นั่นกรณีอย่างเนี้ยบอกว่าเนี่ยคนชั่วทั้งหลายหรือไปพูดว่า มีผู้ก่อการร้ายอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยอันนี้พูดพูดดีนะแต่เนี้ยคนแตกไปยัดข้อหาเขาไปยัดเข้าไปยัดเสร็จยุ่งเลยเนี่ยนะนะเข้านะเข้าเนี่ยคนถูกว่าไอ้ยมคมหาภูนอย่างนั้นถ้าพูดดีต้องมีคนพูดถ้าพูดต้องพูดเยอต้องใช่ถ้าพูดเป็นสัมมาวาจาเนี่นะการพูดที่ว่าไม่ส่อเสียดท้อพูดด้วยกุศลและจิต เข้าใจทุกคนเมื่อเกิดความโกรธก็ทําได้ทุกอย่างฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายดับความโกรธหันหน้ามาคุยกันสิ่งที่ผ่านมาแล้วไอ้ผิดก็ต้องว่าไปตามกฎหมายกันไปแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงใช่ไหมแต่ทุกคนนั้นนะ่ะต้องหันหน้ามาคุยกันแหละบ้านเมืองมันถึงขนาดนี้แล้วทุกคนไม่ควรไปคิดอย่างอื่นแล้วเราต้องมานั่งตั้งสติกันแล้วว่าอะไรเกิดขึ้น ว่าทำไมมันมืดมนอนตการทำให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยหลงผิดกันขนาดนี้ใช่ไหมมันไม่รู้จะไปกล่าวโทษใครแล้วในเมื่อผลมันเกิดขึ้นมาแบบเนี้แบบเสียจทุกวันนี้ต้องดับความเล่าร้อนในใจก่อนแล้วค่อยนั่งคุยกันอย่างเงี้ยถ้าคุยอย่างเงี้ยคุยดีแต่ให้แตกแยกคุยแบบสมัครสมานใช่ไหมคุยให้คนเข้ากันให้คุยดีเหมือนดีนี่แหละจะมันทําให้แตกแยกได้ ก็ทิมแทงอีกฝ่ายหนึ่งสร้างอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นฝ่ายที่มันไม่ดีอย่างนี้นะทีนี้เสียเลยใช่ไหมนั่นผู้นําเนี่ยสําคัญต้องอ่านมโหสถช้าดกว่าท่านแก้ปัญหาอย่างไร<ม>เวลาเกิดกรณีการแตกแยกเนี่ยผู้นําต้องรู้คําสอนถ้าไม่รู้คําสอนก็จเจ้าหลักของนั่นแหละนิติศาตารัสสาบมาพูดกันอยู่นี่แหละซึ่งมันเสียหายมากจใช่ เพราะมันแต่ละฝ่ายนะมันเยอะมันไม่ใช่น้อยมันไปตอกไม่ได้ไปตอกริมแล้วมันจะแซะมันจะแสะไปไหนอ่ะยิ่งไปบอกบอกว่าใครเอออ่าใครไม่รักพ่อก็อย่าไปอยู่แผ่นดินของพ่อนี่เสียเลยนะนะไปพูดอย่างนี้นะมีใครเพิมาเล่าอะนามาบางังเนี่ยเขาเรียกว่าพูดดีแล้วมันทำให้เสียไปแบ่งแยกสังคมไทยนปเนี่ย เนี่ยไปพูดในลักษณะอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> ใ, นในกรณีอย่างเงี้ยเ <c oughs> พราะไปพูดแล้วมันก็มันทําให้เสียเ <c oughs> พราะมันเสียอะไรเสียสัมมาวาจากรณีอย่างนี้ไปพูดได้ยังไงใช่ไหมต้องพูดบอกว่าไอ้สภาพของขี้เหร่หรืออกุศลหรือบาปต่างๆเว้ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยยามหน้าสิวหน้าขวานทุกคนขาดสติไปหมด แต่ตอนเนี้ยควรตั้งสติกันก่อนแล้วก็ก็ดับไปในใจคือความรุ่มร้อนเชื่อหรือทุกคนสูญเสียอประชาชนทุกคนอันนี้ยสูญเสียสูญเสียความรู้สึกใช่ไหมสูญเสียโอกาสอะไรเยอะแยะเบ็ดเสร็จหมดแล้วสรุปแล้วทุกคนเนี่ยที่อยู่เป็นคนไทยทั้งหมดแม้คนทั้งโลกที่เขามองมาเขาก็เสีย ก็มีความรู้สึกสูญเสียความรู้สึกหรือความรู้สึกดีๆฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะกระจัดความสูสญเสียตรงเนี้ยไอ้เสียทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกมันพื้นฟูไม่เท่าไหร่มันก็จบเพราะประเทศไทยเนะี่ยมันผ่านอะไรกันมาเยอะกว่าจะเป็นประเทศไทยมันก็ไม่ใช่ประเทศไทยอย่าไปยึดอะไรกันนักหนาอย่างเงี้ยอะไรก็ว่ากันไปแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าการเข่นข่ากันการทําลายหักล้างกัน การเล่นกันเกินขอบเขตอันนี้มันผิดคำสอนแล้วไม่สมกับที่เราเป็นชาวพุทธเดินตามพระธรรมครัสอนครูพระเจ้าก็ต้องระดมวิธี ต, ต่างๆนี้บอกเขาทีนี้คนที่พูดเป็นคนที่รู้หลักการจริงๆมันไม่มีโอกาสเข้าไปพูดซึ่งมีเยอะใช่ไหมแต่ไม่มีโอกาสเข้าไปพูดแตราพที่พจาพูดอดนะไรแต่เรื่องสิ่งที่คนพูด <c oughs> สิ่งที่คนพูดสิ่งที่มีคนพูดที่เราทำให้คนอื่นเดี๋ยวอะไรเนี่ยนี่สองก็คือจริงๆนะวาจาเนี่ยบางครั้งในวาจาอะไรเนี่ยมันจริงใช่ไหมถ้ามันไม่จริงด้วยมันไม่ไปมันไม่ได้ประกอบดยไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบไปได้ประโยชน์เนี่ยพระองค์ก็ไม่พูดใช่ไหมไม่จริงไม่แท้ใช่ไหมถึงเมื่อมีประโยชน์พระองค์ก็ไม่พูดอย่างนี้ยนะ หรือว่าไม่จริงจริงด้วยแท้ด้วยมีประโยชน์ด้วยพระองค์ก็รู้จักการที่จะพูด <c oughs> <c oughs> รู้จักการที่จะพูดม่พูดส่งเร็ไปทั่วเลยนี่จ้ฉะนั้นคําพูดเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางทีเราจะนําไม้ไปจ่อปากใครทั้งหลายเนี่ยมันไม่สกรีนกันก่อนใช่ไหมมันนักเข้าแล้วเข้ามันก็ออกมากันแบบเนี้ยแล้วมันตอบย้ํากันตลอดตอกย้ํากันตลอดนัเข้านักเข้ า, ขามันก็เรียบร้อย และทุกวันยังตอกย้ำไมู่่นั่นแหละใช่ไหมก็ไม่จบกันถ้าอย่างเงี้ยมันึงบอกว่ามันไม่จบมันจะไปจบได้ไงแล้วครับพูดลักษณะอย่างเงี้ย อ๋อก็ตรงนี้ก็มันถึงบอกไงบอกว่าคนที่จะกล่าวต้องอยู่ในฐานะที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่นสต้องต้องต้องอยู่ในถ้าที่สามารถที่จะพูดได้มีเยอะอย่างยกตัวอย่างเช่นท่านในยุคนี้นะท่าอ้า ง, งาน้มท่านหน่อยคือเจ้าคุณธรรมบพีหรือเจ้าคุณกรมพุนานใช่ไหมถ้าอย่างนี้นคนคนที่วนท่านมาพูดในสมัยสถานการนี้ก็ไม่ไม่ไม่เอามา ถ้าในรักสนัมเนี่ยท่านพูดกระชี้ทางมาเลยนี่เราก็ไม่ไม่เอาทั้งๆ ท, ที่เรามีมีท่านผู้รู้อยู่ในประเทศไทยเยอะๆ น, นี่เราก็ไม่คแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วหลายคนก็ยอมแล้วแล้วก็ไม่เคยเป็ น, นักตีกับใครท่านพูดทนก็มีความเป็นกลางแล้วท่านก็ชัดเจนแล้วก็ชี้ทางออกให้ได้ด้วยทั้งคมไทยเนี่ยจริงๆเราติดหลงแล้วก้าวเดินไม่ได้ใช่ไหมมันก็ก้าวเดินออกจากตรงนี้ไม่ได้ก็ติดเนี้ ถ้าก้าวออกจากตรงนี้ไม่ได้ก็ยืมก็เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนกรณีอ่าเตการเราติดเหงการเสียบริบูรนิยมที่จริงเราน่าจะเอาตัวเนี้ยมาเป็นฐานในการที่จะยืนก็จะก้าวต่อไปแต่เรากลับมาติดเนี่ยกป็นยืนเราก็เลยไม่ไม่ไม่เจริญอะไรกันเลยเด็กใครก็เสียหรือผู้ใหญ่ก็พลอยเสียเสียหายกันหมดนี่ก็ก็วัวกันอันนี้สีย คือปัญญาเนะคือพูดถึงเรื่องของปัญญาเราก็ต้องให้คำให้ตรงนี้เป็นกรรมใช่ไหมก็พิจารณาว่าเออเนี่ยสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยเราพิจารณาให้เป็นกุศลศรีลได้เพราะปัญญาไปทํากิจในการวิจัยวิจัยเราก็เห็นโทษของการทุศีลจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็โทษของการที่ว่าทุศีลเนี่ยเวลาผลของความทุศีลเกิดขึ้นมันก็เห็นนะ แล้วว่ามีทรัพย์โดนถูกเผาโดนถูกทําลายชีวิตโดนฆ่าโดนอะไรต่างๆก็แล้วแต่อย่างเนี้ยกรณีอย่างเงี้ยท่านผูนั้นที่ไปโดนอย่างนั้นก็คือว่าก็ผลของอาวุธนกรรมไอ้หลายด้านเข้าไปก็ไม่เป็นอะไรอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราก็จะเห็นว่าต่างกันดีิงๆบางท่านก็เจอบางท่านก็ไม่เจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็เห็นคนกําลังทํากรรมที่เป็นกรรมดีและกรรมไม่ดีท่านเหล่านั้นก็จะต้องรับผลกรรมดีและไม่ดีไป เราก็มาพิจารณาว่าตอนนี้กายกรรมวจีกรรมระมโนกรรมของเราเนี่ยใช่ไหมมันเป็นยังไงอันนี้ก็มาไข้คนอันนี้ก็จะเป็นไปในส่วนของเจตสิกสีที่เป็นปัญญาเพราะจะมองเห็นใช่ไหมฉะนั้นพอสถานการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ปัญญาเกิดแต่ปัญญาเกิดเบีดเสร็จแล้วมันไม่พอนะแค่เข้าใจตรงนั้นเนี่ยยังไม่พอแต่ถ้ามาเกื้อกูลทําให้สุจริษมดีขึ้นอันนี้ปัญญานั่นอยู่ในฐานะเป็นสีแล้วก็เตือนกันวันนี้ ในยุคนี้ด้วยแล้วเนี่ยความตั้งมั่นในกุศลศีลต้องชัดเข้าใจไหมอันนี้ก็อันนี้ก็ชัดเจนด้วยนี้ก็เลยเข้าใจนี่พอจะเข้าใจแล้วไหมต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของสังวรเป็นศีลเนานะเออเอานี้ก่อนส่วนในเรื่องของสังวรเป็นศีลได้แก่การติดบาบด้วยสติเป็นต้นก่อนนะอธิบายย่อๆก่อนแล้วก็จะมาสรุปที่ในการติดบาบ ไอตัวสังวรเนี่ยคือปิดบาปเช่นเอถ้าสติเนี่ยนะสติสังวรก่อนเนี่ยนะมันจะเห็นชัดปิดบาปอย่างยอมมองคลก็เห็นลูกไม่บาปอยู่ใช่ไหมมีตาอยู่แต่มีทวารตาอยู่เนี่ยเมื่อเห็นสีต่างๆ่างเหล่านี้ก็สามารถปิดไม่บาปเข้าสู่ใจได้ หรือได้ยินเสียงดงกลิ่นลิ้มรสสัมผัสคิดนึกก็ไม่ให้โลภะโทสะโมหะหมุนกสู่กระแสจิตการปิดต้องกันโลภะโทสะโมหะไม่ให้หมุนกระสู่กระแสจิตได้อย่างนี้เป็นสังวรนะมนี่เขาเรียกปิดบาปไม่ไม่ให้โลภะโทสะหมุนกสู่กระแสใจพอจะสรุปตรงนี้พอได้ก่อนนะนี่คือสังวรเสียก่อนเดี๋ยวไปแจกรายละเอยียดทีติ่ประการสุดท้ายสุดท้ายช่วงสังขีบ อาวิติกมามะความไม่ก้าวล่วงความไม่ก้าวล่วงนี่คือตัวทั้งจิตและเจตสิกที่เป็นกุศลกิจบาปเป็นไปด้วยการไม่ก้าวล่วงการไม่ก้าวล่วงเนี่ยมันจะต้องเป็นปฏิปักษ์ต่อการก้าวล่วงนช่ตามไม่ก้าวล่วงถามว่าก้าวล่วงคืออะไรหวานก้าวล่วงคืออะไร ถ้าฆ่าสาธธัตว์จะถือว่าก้าวล่วงไหมรักซรักประพฤติผิดในการพูดเทศนอเสียดํำหยาเพื่อเชื้อเห็นไหมก้าวล่วงโลกนก็โกรธแล้วก็เห็นผิดเห็นไมก็ท่นนี้ก็คือไม่ก้าวล่วงไม่ก้าวล่วงไม่ให้บาปประทรมต่างๆอันนี้หมุนก็สู่ใจ